สิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทเป็นต้นเรื่องภิกษุณีชพักคี1054สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนินโครทารามเขตกรุงก บ, บิลพั์แคว้นสักกะครั้งนั้นพวกภิกษุชพักคีไปสำนักภิกษุณีแล้วกล่าวสอนพวกภิกษุณีชพักคีภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวกับพวกภิกษุนี ชาวพักคีดังนี้ว่ามาเถิดแม่เจ้าทั้งหลายพวกเราจะไปรับโอวาทภิกษุณีชาวพัคีกล่าวว่าพวกเราจะไปรับโอวาททำไมกันพระคุณเจ้าชาวพักคีมาให้อวาทพวกเราถึงที่นี่แล้วบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโผรนทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีชาวพัคีจึงไม่ไปรับโอวาทแล้วรั้นแล้ว